ข้อที่49นะครับเหตุจำเป็นบางอย่างเพื่อไปสู่กองทัพเช่นญาที่อยู่ในกองทัพป่วยเขานีมรให้ไปเพื่อต้องการทำบุญเพึงมีแก่ที่สูรูปนั้นที่สู่นั้นพึงอยู่ในกองทัพได้ตลอดสองสามคืนถ้าหาว่าพึงอยู่เกินกว่านั้นต้องอาบัดปาจิตตีก็สุดเรื่อง พ่อก่อดใช่ไหมเนี่ยจําเป็นก็ไปในกองทัพได้านะครับหรือเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนะอยญาติปู่นิมนต์ไปทปําบุญใช่ไหมไปได้แต่ให้ไปอยู่ในกองทัพได้ไม่เกินสามคืนนะครับไอคืนที่สี่เนี่ยพอพลาดาทิตย์ตกดินฟุบต้้งบัตเลยนะครับให้จบถึงฟุบต้องบงัตรชิวในอิริยาบถไหนก็ได้แต่นั่งยืนเดินนั่งนอนนะครับแม้กระทั่งว่าห่ออยู่กลาองอากาศนะอ้าวผมมันได้อยู่บนพื้นห่ออยู่คลางอาก ทีนี้ไม่ได้นะขอให้อยู่ในกองทัพเนะี่ไม่ได้เหนี ย, ยามากไม่แค่สามคืนนอกจากว่าเราทํานี่เหมือนกันนอนกันเองไงเราอยู่ได้สองคืนใช่ไหมคืนที่สามให้อาุณขึ้นครับเ ร, รจาจะนอน ก, กองทัพกว่อนอาุณขึ้นใช่ไหมนะครับมันก็ไม่นับสามใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็เข้ามาใหม่แล้วก็มานับลาตีกันใหม่นะครับอนนมันถึงจะเลี่ยงได้นะครับ แต่ถ้าอยู่ติดกันะเกินสามคืนนี้นะพออารมขึ้นนะครับอารมณของวันที่สามขึ้นนี้มันต้องอารมณ์สามคืนพอดีใช่ไหมแต่พอข้าที่ตกดินนะครับในวันที่สี่นะข้าที่ตกดินเะนี่ยอันนี้ต้องอารมณนะครับสมัย น, นี้คงยากครยังไม่ต้องให้นะลองดูนะครับมาจากพระเจ้าขีดเหมืเดิมครับหกร้อยยี่สิบสองห่า โดยสมัยนั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันนาฬิกของนาฏวาิดิกาข่ามบดิเข็มพระนครสาน า, นาทีครั้งนั้นก็จะเพื่อขีมีกิจจําเป็นเดินผ่านกองทัพไปและวแรมคืนอยู่ในกองทัพสามลาตรีประชาชนทางกันเพ่ ง, งตุ่นเตรียมบทนาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายพระสกเยบุตรจึงได้พรงแรมอยู่ในกองทัพเล่าม่ใช่รากของพวกเราแม้พวกเราที่มาอยู่ในกองทัพ เพราะเหตนอาชีพเบบพราะเหตุแห่งบุตรภรรยาก็ได้ไม่ดีแล้วเรื่องก็ไปถึงพิสูจน์ข้าหลางปรรดาพิชุมั ง, งนั้นสันโดยสังกัดเพงเ่งผลิตเตีมพุธนาและกาับนเพื่อจากสองสั่งเราพระดวงทรงสอบถามสองตีเตี้มพระเฉิพาะคีและก็มีเยสุามอยนี้นขึ้นมานข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะไ่ า, น, น, น, านะครับมาดูความอธิบายในการขาเลยน้ครับนี้หน้าสองสิบหกขอดีก้า ที่ายเสยนาวา ส, สิาบุสิขาบุตว่าด้วยการอยู่ในกองทัพเพืสร้างวินิจฉัยสิขาบุที่เก้าต่อไปควาว่าตาโตเจอุตริถ้าว่าอยู่ยิ่งกว่านั้นใช่ไหมความว่าเลยคืนที่สามไปเมื่อดวงอาทิตตกในวันที่สี่ที่สุอยู่ในกองทัพจะเป็นการยืนก็ดีนั่งก็ตามนอนก็ตาม แม้จะพยยามบทอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่บนอากาศด้วยริบกาตาต้องอาบัตทั้นั้นนะครับเหตุเกิดและประเภทในอาบาตสิขาบนนี้พุทธภาคเจ้าทรงปราบพิสุทธิ์เฉาคีในมูลสามวันทีบัญญัตไปแล้วทั้งเหตุคือการอยู่ในกองทัพเกินสามคืนเป็นสาธารณนั้นบัญญัติพิสุนีก็มีอนันติกาไม่เกี่ยวการใช้ใครอยู่เองก็ต้องอาบัตเองนะครับติกาตายดอยู่เกินสามคืนนะ เข้าใจสงสัยสำคัญปิดตาแบบ น, น, นะ้อยู่ยังไม่ถึงสามคืนสำคัญว่าเกินหรือมีความสงสัยนี่ก็ต้องักดอนาบัตรที่สุมไม่ต้องอาบัตรเมื่อยังไม่ถึงสามคืนใช่ไหมท่านก็อยู่ไม่ถึงย้ง่ถึงสามคืนสาคัญว่ายังไม่เกินอยู่ได้คือที่สามออกไปก่ออารมณ์ขึ้นแล้วอยู่มาอีกได้ขงเราพออยู่สองคืนใช่ไหม คืนที่สามอาไปกัออารขึ้นเนี่ยคืนที่สามจะไม่น่ารักพ่อไม่ควบนาตีอารมณ์ไม่ขึ้นมันก็อยู่ปริวาสเลยอารมณ์ยัไม่ขึ้นเนี่ยนนเก็บบ้านก่อนอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ลาตีใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะอารมณ์ไม่ขึ้นก็ออกไปนองกองทําก่อนนะคืนที่สามก็ยังไม่น่าราตีได้แค่สองนะแล้วพ อ, นะอมาอยู่ใหม่ค่อยน่ามึนใหม่นะครับอันนี้เป็นไข่ยอยู่นะครับ ทั้นป่วยนะาพอดีไปตอนแรกไปนะมีเหตุพอไปอยู่ยแล้วเกิดป่วยในกองทับออกไม่ได้คนระับอยู่ดูแลคนไข้นี้ก็ได้ครับกอ <c oughs> งทับกําลังสู้รบกันนะ อ, ออกไม่นานออกเมียนตะลาเลยนะครับเ <c oughs> ขากําลังสู้รบถูกล้อไมไปหมดเงี้ยนะไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ได้อยู่เพราะมีเหตุบางอย่างขัดขวางถ้าบอกว่าถูกคนผู้มีเวรนะขัดขวางไม่ยอมให้เราออกไปนกองทํา น, นะครับ หรือถูกอะไรนะพวกอิสราเอชนแม่ทานายกอยงไม่ยอมให้เราออกไปนะครับกูว่าเป็นสร้างศึกอะไรหมายใช่ไหมบางคัไม่อยู่ในกองทําเลยเนี่ยอันนี้ก็อยู่ได้นะครับอยู่เพรามีอันตารายและพิสูจน์บ้างเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัตินะท่านพูดถึงว่ากองทัพกําลังสู้รบ ก, กันอยู่ท่านบอกว่ากองทัพถูกฆ่าทับฆนะ่าศึกร้อมไว้นะใช้ทางสัญจร ออกไม่ได้เนี่ยถึงร้องไั่หมดนะนี่ก็ยิงได้ไม่เป็นไรองค์อาบัสิือถามบทนี้มีองคสามหล่านี้คือหนึ่งที่สู่อยู่เพียงสามคือสองปล่อยให้ดวงอาทิตย์ตกในขณะที่ตนอยู่ในก อ, น อ, องเทาดวงที่สองสามไม่มีเหตุจําเป็นเช่นเป็นไข่เป็นต้นเมื่อพบองสามก็ต้องหมัดไปอีในสถาบทนี้นะ มูานเป็นต้นเหมือนกับเอรการโลมาศิษฐานบทนั่นแหละเออการกาปกัจิตโจงการทีา่าเสนาวาศาสิษฐาบนบทนีะครับโอ้ถ้าอยู่ในกองท้ำเปาา็นยังไงรเนี่ยถ้าพวกทหารพวกสู้รบอะไรพวกเนี้ยนะยิ่พวกอะไรเนะี่ยโจรหรือพวกคอมินินเนะี่ยเป็นภาพเป็นเจ้าก็ไม่เล่นนะครับก็ฆ<อ>่าหมดนะฆ่าตายหมดเลยนะครับเาจะหาว่าเป็นไส้สิ่งนี้<อ>าต้องแปลงมาใช่ไหม ถูกค่าตายหมดเลยเนี่ยนะครับคุณอันตร า, ายมากเลยเนะอ่ยไม่กลอนคิว้ว <laughs> เราไม่กลอนคิว้ควไม่กลอนคิว้วหามมันไส้ไสเสิ <laughs> สกเ น, น, <c oughs> นี่ยหาวิปลาสตองมัตะหาตองเปนพรนครมันจะมีอะไรนะหลวงพอ่อพมเล่าว่านานนะครับ แล้วก็ผมนึกว่าถ้าไปเดินชื่ดงนะสมัยก่อนอนะ่ะที่คอมมินวนิสต์กลางอารวาสนะครับสมัยก่อนสมัยยังไกี่ปีนะไอ้ที่มันเกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรสี่ตุลาสีพ่พฤษภาอะไรนะสมัยนั้คอมมิวนิสต์นะครับไปตั้งท่ายาที่จะมาอุบราธานีใช่ไหมมันจะมีคอมมิวนิสต์เยอะนะแวอิสานแถวภาคเหนือก็มี น, น, นะถ้าปเขาบปเดินชืดงแล้วก็ทหารรัฐบาก็มาบอก ไปเจอหารทำไมพอดีเนียครับทหารบอกว่าอย่าไปที่น so, ั่นนะพวกคนนี Wonder ้มาอยู so, ่ที่นั่นนะครับแล้วก็พระถูกฆ่าตายในถ้เนียมีพระไปเ้าก็ไม่รักนะเขาทรมานนี่นะครับจับตัวทรมานแล้วก็ฆ่าตายนะครับอย่างเนี้ยนะไม่นานเว้แล้วก็ไม่ให้ท่านไปท่านก็ไม่ไปนี่นะเพราะนั้นอันตรายนะครับซึ่ผู้ริ้นไม่ได้ทั้นี้ก็จบแค่นี้นะครับที่ยา